เขามีความสุขใจรย์จะสว่างสวยมีความสุขแต่เวลาใจมีความสุขนะมีสองอย่างนะมีความสุขที่เป็นกุศลกับความสุขที่เป็นโลภะจิตที่มีโลภะมีความสุขได้จิตที่อย่างครมีราคะอะไรนี่รู้สึกมีความสุขงั้นเวลามีความสุขเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่ามีสติไหม ถ้ามีความสุขมันไม่มีสตินะว่าราคะดูง่ายๆลืมเนื้อลืมตัวแล้วมีความสุขว่ราคาะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความสุขจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่มีโลภะมีจํานวนเท่าๆกันกุศลธรรมดานะไม่ใช่กุศลระดับชั้นระดับเลย มันจะมีความรู้สึกสองอย่างรู้สึกสุขกับรู้สึกอุเบกขาบานะที่ใจเราเฉยๆก็ดูอีกมีสติไหมลืมเนะ้ลืมตัวอยู่หรือเปล่าแล้วตัวความรู้สึกตัวสําคัญมากพยายามฝึกเนความรู้สึกตัวอัตโนมัติไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก ไม่ได้เจตนารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวหรือว่ารู้สึกโดยไม่เจตนารู้สึกเราต้องฝึกสม่าเสมอนะที่หลวงพ่อสอนให้ในศีลศิขาจิตศิขาปัญญาศิขาให้สติอัตโนมัติสีอัตโนมัตินะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติ เห็นไตรลักษณ์โดยไ ม, ไม่ได้เจตนาเห็นไม่ได้เจตนาคิดแต่เป็นเห็นเองถ้ายังมีเจตนาอยู่นะอริยมรรคยังไม่เกิดเจตนาเป็นตัวสร้างภพเป็นตัวกรรมก็สร้างภพของจิตขึ้นมาจิตไปปรุงแต่งต่อจิตยังวนอยู่ในภพออกจากภพบไม่ได้โลกุตตรธรรมมันพ้นจากภพไป เราต้องฝึกจนกระทั่งมันไม่มีกรรมเป็นการกระทำล้วนๆเป็นกิริยาล้วนๆไม่ได้เจตนาแต่ก่อนสติจะเป็นอัตโนมัติสมาธิศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติก็ต้องฝึกก่อนทีแรกมันไม่อัตโนมัติหรอกศีลทีแรกก็ต้องตั้งใจรักษาต่อไปก็มีศีลโดยไม่ต้องตั้งใจรักษาฝึกจิตให้ตั้งมั่นทีแรกก็ต้องขยันฝึก จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ ต, ต่อไปไหลก็รู้เองไม่ต้องเจตนารู้ล้วปัญญาเขาต้องอัตโนมัติทีแรกก็ต้องจงใจเอาสติคอยสังเกตกายสังเกตใจเห็นกายเห็นใจมันทำงานเห็นไตรลักษณ์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มานิดเดียวมายืมธาตุของโลกอีกพ่อแม่ก็ยืมธาตุของโลกมาสิ่งเป็นสมบัติของโลกร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีแต่ธาตุหมุนเวียน ท่านไม่หมุนเวียนเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเลยถ้ามาดูจิตดูใจก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงทีแรกก็ต้องตั้งใจสังเกตมันค่อยๆดูค่อยๆดูไปจะเห็นน่าตอนนี้สุขแล้วมีความสุขเกิดขึ้นมาเอาความสุขหายไปแล้วความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขหายไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะดูจิตมีคาว่าแล้วโกรธแล้ว แล้วเราก็รู้ว่ากโกรธโกรธหายไปแล้วรู้ว่ากโกรธหายไปไม่เหมือนดูกายนะดูกายกําลังหายใจคําว่ากําลังจะดูไม่เหมือนกันทีแรกก็จงใจดูต่อไปไม่ได้เจตนาจะดูมันเห็นเองแล้วตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาตรงนี้อศัศจรรย์มากนะที่ตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาครั้งแรกเท่านั้นนะ ขาดเลยได้ธรรมะเลยสาหรับพวกที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วมันเป็นความเข้าใจของจิตไม่ใช่ความเข้าใจของสมองไม่ใช่ความเข้าใจของเราเป็นความเข้าใจของจิตภาวนาอยู่นี่แหละเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆนะอยู่ๆรวมปึ๊บลงมาเข้าฐานนะโดยไม่เจตนาจะรวมจิตเข้าเข้าฐานของจิตเต็มภูมิเลย สติะระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาะระลึกนะตัวนั้นไม่มีความคิดนึกอะไรอยู่ยปัญญามันเกิดขึ้นมาปิ๊งจิตไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราแล้วตัวเราไม่มีนะรู้สึกขึ้นมาเรงนั้นปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตในเวลาเกิดนะเกิดในแวบเดียวเองปัญญาสำคัญนะปัญญาระดับสูงเกิดแวบเดียวเป็นปัญญาในมัค ถ้ปัญญาธรรมดานี่ก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมปัญญาไปดูเกิดดับดูอะไรทำไปเรื่อยแต่ตอนปัญญาที่แท้จริงเกิดเนี่ยเกิดในแวบเดียวเป็นความเข้าใจของจิตที่รู้แจ้งแทงตลอดในขณะจิตเดียวท่านเองปิ๊งเลยท่านรู้หมดเลยเห็นนะโอ้เมื่อจิตไม่เป็นเรานะก็ไม่มีเราที่ไหนอแล้วนะขันนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้านี้ ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีเรานอกขันห้าอีกไม่มีเราที่ไหนเลยเนี่ยมันรู้แจ้งแทงตลอดในขณะเดียวเท่านั้นในแว บ, บเดียวงั้นปัญญาตัวจริงนะเกิดในแว บ, บเดียวนันนะสมาธิเรานั่งสมาธินะจิตไม่สงบนานไม่เป็นไรเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยต้องการสมาธิหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองนี้เดียวเอง เราต้องฝึกนะเบื้องต้นเราฝึกสติให้อัตโนมัติก่อนอาศัยสตินี่แลนะศีล ส, สมาธิปัญญามุ่งใจแก่รอบขึ้นขาดสติตัวเดียวศีล ส, สมาธิปัญญาหายหมดเลยจิตเป็นอกุศลเลยนะเมื่อสักสองปีก่อนมัน้งหลวงพ่อคําเขียนเป็นมะเร็งครั้งแรกอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านท่านก็เล่าให้ฟัง ตอนนั้นท่านย่างพูดได้ท่านบอกว่าเนี่ยมีคนนีมนต์ปเทศที่ที่หนึ่งพระเทศเสร็จนะคนจัดนํามาต่อว่าท่านบอกว่าอาจารย์อะไรพูดแต่เรื่องสติทําไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหพ่อคำเขียนท่านเล่าให้ฟังท่านถูกต่อว่าสอนแต่เรื่องสติทําไมอาจารย์ไม่สอนศีลสมาธิปัญญา ท่านก็หัวเราะนันท่านไม่ได้หัวเราะกับเขานะหัวเราะกับหลวงพ่อหัวเราะเขาก็ถูกของเขาเราก็ถูกแบบเรานะอาจารย์ประโมทเนะเราก็ถูกแบบของเรานี่แหละ <c oughs> ไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ยงนั้นไม่ใช่พระธรรมดาหรอก <c oughs> ธรรมะท่านตรงประเด็นเป๊ะๆงั้น มีสติศีลสมาธิปัญญามีนเกิดนะเกิดได้ถ้ารู้วิธีใช้สติอย่างเมื่อวานกับวันซืนหนะลวงพ่อสอนวิธีใช้สติถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลนะสศีลจะเกิดเพราะกิเลสครอบจิตไม่ได้กิเลสครอบจิตไม่ได้จิตมีศีลอัตโนมัติมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปด้วยอานาจของนิวรณนะ์เคลื่อนไปด้วยนิวรณ์ ย่งเคลื่อนไปด้วยกวามเคลื่อนไปด้วยความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเคลื่อนไปด้วยการเกลียดชังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเคลื่อนไปด้วยการที่ไอ้นอนท์ก็จะเอาไอ้นี่ก็เอาแต่ครุบอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอุตลุดไปหมดเลยเสจนกระทั่งจับอะไรก็ไม่ได้ถูกใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิด หรือเคลื่อนไปด้วยความสงสัยนะด้วยความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยคิดลูกเดียวเลยคิดธรรมะลูกเดียวอย่างเงี้ยฟุง้งซ่านไม่มีสมาธิเคลื่อนไปหดหู่เวลาหดหูจิตเคลื่อนนะดูออกไหมจิตไม่ได้อยู่กับที่จิตจะเคลื่อนไปเราโทดเราถวยนะเคยตั้งอย่างนี้ก็หลุดลงมาเ <laughs> นีนยเคลื่อนเหมือนกันเนี่ยจิตเคลื่อนไปด้วยอำนาจนิวรณ์ อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิลจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยเพราะนิวรณ์ดับทําไมนิวรณ์ดับทันทีที่เกิดสติอกุศลจะอยู่ไม่ได้นี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะเขาเรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะธรรมนิยามมีเยอะนะอย่างตัวธรรมะแท้ๆเป็นธรรมนิยามจํานวนมากเลยยังมีตัณหา ก็มีทุกข์อย่างเงี้ยเป็นกฎสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นกฎของธรรมะถ้าเม่ไหรมีสติเมื่นั้นไม่มีกิเลสนี่ก็เป็นกฎของธรรมะงั้นพอเรามีสติรู้าทันจิตที่เคลื่อนไปเท่านั้นเองนะกิเลสดับหมดเลยนิวรณ์ดับเลยจิตตั้งมั่นแม่อาศัยสติ แล้วก็มีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงในทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยหลวงพ่อจะสอนประจำเลยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพวกที่ทำวิปัสสนาแล้วล้มเหลวนะ่ขาดจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง มีจิตที่ตั้งทื่อๆก็มีเพียงลูกเดียวพวกนี้ไม่ไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตทื่อๆอยู่หรือบางคนไม่เคยฝึกเลยจิตไหลตลอดดูท้องพองยุบบอกทำมิปัสนาจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตไม่ตั้งมั่นหรือดูจิตดูใจ้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเกิดก็ชอบมันพยายามรักษาความทุกข์เกิดแล้วพยายามทําลายกุศลเกิดแลพยายามรักษามันไม่เกิดพยายามบิ้วให้เกิด วิปั ส, สนาจะไม่ทำอย่างนั้นวิภั ส, สนาจะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆแต่ถ้าอยู่กับโลกนะธรรมะในขั้นจริยธรรมนะต้องพยายามทําดีให้มากขึ้นมากขึ้นนะสะสมความดีให้มากขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้ยังเป็นโลกิยสาสะสมไปให้มากจนถึงจุดหนึ่งนะศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นโล ก, กุตระขึ้นมาตรงนั้นไม่มีเจตนานะตรงที่เป็นโลกิยะอยู่นี้ก็ต้องมีเจตนารักษาศีล เจตนาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อขัตัวนะฝึกจิตให้สงบเจตนาที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกลใจอันนี้ยังต้องเจตนาก่อนต่อไปมันอัตโนมัติเองนะตัวสำคัญอยู่ที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางหรือเปล่าเท่านั้นนะเะนั้อนอาศัยสตินะไปรู้ทันกิเลสกิเลสถ้าดับครอบงําจิตไม่ได้ศีลเกิด อาศัยสติไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเคลื่อนไปเคลื่อนไปจะเคลื่อนด้วยความรักด้วยความเกลียดด้วยความสงสัยด้วยความจับจดฟุ้งซ่านด้วยความหดหู่ก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันไว้จิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ซ่านไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตมันฟุ้งไปนะจิมเคลื่อน มันดับนี่ก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอาศัยสตินะเห็นกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูคือใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นสภาวะในการเดินปัญญานะหลวงพ่อถึงสรุปออกมา ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้พูดเพื่อให้เข้าใจง่ายถ้าพูดให้ถูกหลักแท้ๆเลยมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่กายใจกายใจนี่ยังเป็นภาษาชาวบ้านอยู่เป็นสมมุติอยู่รูปนามรูปกายไม่ใช่ตัวรูปอย่างเดียวกายเกิดจากรูปจำนวนมาก เนื่อถ้าถูกเลยก็มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงอะไรคือความจริงไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าเห็นความจริงอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาษเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเพราะไม่ใช่ไตรลักษณ์บางคนเข้าใจว่าไปพิจารณากายเป็นปฏิกูลสุภาษณ์เป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกในครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาด้วยซ้ําไป เขาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัญนาไตรลักษณ์อยู่ที่รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันมาเป็นตัวเรานี่แหละดูตรงนี้รูปนามภายนอกก็มีแต่ไม่ต้องดูนะไม่ต้องสนใจเพราะตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลให้ดูรูปนามภายในนี้ก็มีสติรู้บ่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาเขาแก่กล้าแก่กล้าพออริยมรรคก็เกิดนี่ทาไงสติจะเกิด เราพูดถึงสติมาหลายวันแล้วลืมบอกไปว่าสติเกิดจากอะไรสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์คนละอันกันให้รู้ด้วยสติแล้วก็รู้ด้วยปัญญาสองอย่างนะถ้ารู้ด้วยสติอย่างเดียวจะเป็นสมถกรรมฐาน งนะั้น อ, อย่างเราดูท้องพองยุบนะมีสติกำหนดหอยู่ที่ท้องตลอดเลยกำหนดไปเรื่อยนะกำหนดเป็นคำแผลงนะรู้จักคำว่าคำแผลงไหมไม่ใช่แผลงแผลงคำแผลงคือมันมันเปลี่ยนแปลงมามาจากคำว่าอะไรใครรู้รว่ากดกดไว้ข่มไว้นะข่มไว้ข่มไวไม้ไม่ใช่ไม่ใช่การมีสติที่ถูกต้อง สติหน้าที่แค่ะระลึกแค่ะระลึกรูนะ้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจสติเหมือนยามเฝ้าบ้านเฝ้าบริษัทธนะ์มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็รู้เอานะถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมก็อยู่เฉยๆไม่ต้องวุ่นวายนะไม่ต้องเที่ยวแสสายออกไปนะไมนะ่มีอะไรเกิดขึ้นเราค่อยรู้เอาไม่ต้องวิ่งออกไปรู้นอกบริษัทธนะ์ไปดูสิ บริษัทเราอยู่นนทบุรีไปดูซิว่ามีอะไรแถวสวนลุมบ้างเพื่อจะกระทบบริษัทเราอะไรเงี้ยเว่อร์ไปนะอยู่กับตัวนยอยู่กับบริษัทเนยบริษัทก็กายกระจเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องวิ่งร่อนไปที่อื่นหรอกไม่ต้องไปดูของคนอื่นค้าบดูของเราสติเป็นตัวรู้ทันนะทหน้าที่เลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น สติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะจะทำหน้าที่อารักฐานะคุ้มครองรักษาจิตเวลาจิตของเราชั่วอยู่เนี่ยพอสติเกิดชั่วดับเลยนั้นมันคุ้มครองจิตออกจากความชั่วระหว่างที่มีสติอยู่ความชั่วก็เกิดไม่ได้ความชั่วที่มีอยู่ก็ดับไปความชั่วใหม่เกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติเราั้น ม, มันรักษาจิตทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเราไม่ต้องรักษา เราไม่ต้องพยายามรักษาจิตให้ดีนะพยายามกลัวกิเลสจะมาพยายามต่อต้านไม่ต้องคนที่รักษาจิตให้เราคือสติสติเป็นตัวรู้ทันนะกิเลสมาแล้วรู้เนี่ยทันทีที่กิเลสมาแล้วรู้นะกิเลสจะดับเลยนะแล้วกิเลสใหม่จะมาไม่ได้ในขณะที่มีสติเพราะถ้ามีสติอยู่เนี่ยอากุศลที่มีอยู่นะจะดับอกุศลใหม่เกิดไม่ได้ ทันทีที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะสติเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะแล้วถ้ามีสติเนืองเนืองเนี่ยกุศลจะเจริญขึ้นศีลสมาธิปัญญางอกงามมากขึ้นมากขึ้นเคยได้ยินคําว่าสัมมาวายามะไหมสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรชอบทําอะไรบ้างเพียรปิดกั้นอกุศลนะไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วให้ดับไป เพียรทํากุศลให้เกิดขึ้นเพียรทํากุศลที่เกิดขึ้นให้เจริญงอกงามเพราะฉนั้นความเพียรตัวนี้อาศัยสติเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นสอนเป้เลยนะนักปฏิบัติตัวจริงนะบอกมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเพราะฉะนั้นอย่างเราไปเดินจงกรมหามลุ่มหามค่ำนะเดินวันนี้สิบสองชั่วโมงไม่มีสติระลึกรู้รูปนามกายใจเลยยังไม่ได้ทําความเพียรสักนาทีเดียวเลย นะนอนกระดิกเท้าอยู่ยังไม่ทันจะเคลื่อนไหวเลยเห็นรูปเห็นนามทำงานสติะระลึกนะมีความเพียรแล้วยังไม่ได้เข้าทางจงกรมเลยยังนอนกระดิกเท้าอยู่เลยนะงั้นคำว่าทำความเพียรอย่าติดอยู่ที่รูปแบบนะอยู่ที่จิตเราต่างหากมีสติไหมมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรนะงั้นทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่ก็ดับอกุศลใหม่ไม่เกิดกุศล เกิดขึ้นเลยนะกุศลที่เกิดแล้ ว, วจะเจริญไปเรื่อยงอกงามไปเรืยสติจะทําหน้าที่รักษาจิตเรานะไม่ให้ชั่วจะทําหน้าที่ส่งเสริมให้จิตเราจเจริญงอกงามไปดีงามขึ้นนะอะไรทําให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะกระทั่งพระอรหันต์ก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้เพราะสติไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งสิน้น สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สติเขาต้องมีเหตุของสติสติเป็นความะระลึกได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจ ะ, ะระลึกได้ถ้ามันเคยเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นหน้าคนหนึ่งปุ๊บเราะระลึกได้ว่าคนนี้มาแล้วนะคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเราะระลึกได้หรือะระลึกได้ว่านี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะ ต้องเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นมันระลึกไม่ได้ญาติกันเคยมีไหมญาติที่ไม่เจอเป็นสิบสิปีมีไหมหรือเพื่อนนักเรียนตอนประถมที่เจอมันจําไม่ได้หรอกนะเพราะนาน น, านเห็นทนะีอย่างเพื่อนหลวงพ่อ บ, บางคนนะหลวงพ่อไปเทศเขาว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยไหนวนะสมัยเมื่อ30 40ี่ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นหน้างนึกไม่ออก นานๆเห็นทีจำไม่แม่นใช่ไหมเราลึกได้ไม่แม่นเห็นบ่อยๆเราลึกได้แม่นงั้นตัวที่ทำให้เราเกิดสตินะเขาเรียกว่าทิระสัญญาความจำได้อย่างแม่นยำจะทำให้สติเกิดจะจำได้แม่นเขาเห็นบ่อยๆงั้นเราอยากจำรูปนามได้แม่นนะก็ต้องเห็นรูปนามบ่อยๆ อย่างถ้าเราคอยรู้สึกนะร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้ารู้นะต่อมาเราเผลอเราเผลอเห็นสาวสวยเดินมานะใจเต้นตุมต้มๆลมหายใจถี่ขึ้นมาพระจังวหวาหายใจเปลี่ยนนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนานรู้สึกเลยหลวงพ่อเคยหัดขยับมือองี้ฝึกมาแต่ไหนแต่ไรก็ฝึกดูจิต ไปเห็นครูบาอาจารย์างองค์ท่านขยับมือลองทำบ้างแต่ท่านขยับหลายจังหวะเราเอาแค่นี้มันก็เหมือนกันนะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกจิตมันจำสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้วันหนึ่งเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถน น, นไม่เจอมันนานนลแต่ยังจำได้ก็ดีใจกำลังอยากเจออยู่เช่ กดีใจนะก้าวเท้าเพื่อจะข้ามถนนนะก้าวเท้าที่จะข้ามถนนไปคุยกับมันพอเท้าเคลื่อนทนะสติเกิดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเนะมื่อกี้เผลอเกี้เผลอไปแล้วเห็นหน้ามันแล้วดีใจเผลอเลยขาขยับท่านะนะรู้สึกตอนฝึกฝึกขยับมือแต่ตอนปฏิบัติจริงขาขยับก็รู้สึกหรือเราจะหัด รู้ความรู้สึกนะคนไหนขี้โมโหพอโมโหปุ๊บรู้ปับ๊บโมโหปุ๊บรู้ปับ๊บพยายามดูบ่อยๆต่อไปความโกรธเกิดขึ้นไม่เจตนารู้ก็รู้นะแล้วตัวอื่นเกิดเช่นความโลภความหลงความสุขความทุกข์อะไรเกิดมันก็รู้ได้ด้วยนะงั้นเวลาหัดรู้เนี่ยถ้าคนไหนขี้โมโหนะจะดูจิตก็ดูจิตที่โมโหดูจิตหงุดหงิด เราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็ไม่หงุดหงิดให้ดูอย่างเนี้ต่อไปสติเกิดแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้เลยเพองูงหงิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยแล้วมันจะรู้เนื่องไปถึงความรู้สึกอื่นๆด้วยคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยก็คอยรู้จิตโลภจิตโลภกับจิตไม่โลภดูมันคู่เดียวเนี่ยเป็นฐานไหนะต่อไปพอจิตมันโลภปุ๊บมันสติมันเกิดเองมันรู้ทันนะแล้วตัวอื่นเกิดสติก็รู้ด้วย ในสติปัฏฐานเนี่ยนะเคยได้ยินไหมสติปัฏฐานในสติปัฏฐานเนี่ยนะท่านสอนธรรมะไว้สองอันนะถ้าไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจในสติปัฏฐานนั้นทาไปด้วยสองวัตถุประสงค์เบื้องต้นทาไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทาไปเพื่อให้เกิดปัญญาเนีายในสติปัฏฐานเนี่ยมีมีธรรมะสองระดับซ้อนกันอยู่นะทำไปเพื่อให้เกิดสติก็ต้องเห็นรูปนามบ่อย หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอนะไรเงี้ยหัดรู้สึกนั่นเองหัดรู้สึกนี้จะได้สตินะหรือโกรธขึ้นมารู้สึกโรบขึ้นมารู้สึกหลงขึ้นมารู้สึกอนะไรเนี่ยคนไหนที่โกรธดูโกรธอย่างเดียวนะดูค ร, ราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรูว้ว่ามีมีโทสะจบแล้วสาหรับคนที่โมโหเวลาฝึกสติฝึกแค่นี้เองไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอก คนขี้โลภเจออะไรก็โลภหมดนะดูกราพิกซูทั้งหลายจิตมีราค้าให้รู้ว่ามีราคา้าจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคา้าเอาแค่นี้แล้วต่อไปมันจะรู้ตัวอื่นได้เองนะไม่ต้องรู้เยอะอย่ารู้กายบางคนแค่เห็นกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะต่อไปร่างกายขยับรู้สึกหมดเลยนะั่นในสติปัฏฐานเนี่ย ท่านสอนอารมณ์กรรมฐานไว้ที่ว่าคนไหนหมอกัอารมณ์อะไรนะใช่อารมณ์นั้นเป็นหลักไว้อันเดียวก็พอแล้วนะแล้วจะเกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วก็ก้าวไปสู่การเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาครนะาวนี้ไม่มีเจตนาเลือกแล้วเพราะบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตเนะพอร่างกายเคลื่อนไหวเห็นอะไรเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมเห็นใจรลัก ถ้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่วิปั ส, สนานะเป็นแค่ฝึกสตนะิถ้าจิตใจมีราคะโทสะโมหะมีสุขมีทุกข์ขึ้นมานะเราเห็นสุขทุกข์เห็นราคะโทสนะโมหะเรียกว่ามีสติถ้าเห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรียกว่ามีปัญญาสติปัฏ ฐ, ฐานนะเบื้องต้นทําให้มีสติคือรู้สภาวะของรูปนามที่กําลังมีอยู่หรือหายไป แต่เบื้องปลายนะเพื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปนามทั้งหลายงั้นในสติปัฏฐานมีสองระดับซ้อนกันอยู่นะและในสติปัฏฐานเนี่ยยังมีสมถากรรมฐานซ้อนอยู่ด้วยนะอย่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิคูณสุภะอันนี้สมถากรรมฐานทำไมสอนอย่างนี้เพราะบางคนต้องทำสมถะ ก, ก่อนงนะในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นบทเรียนรวมยอดนะ มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนามีทั้งรู้รูปรู้เวทนานะรู้จิตรู้ธรรมมีรู้กายเวทนาจิตธรรมมีหลายอย่างมีทั้งเป็นเครื่องฝึกสติมีทั้งเป็นเครื่องฝึกปัญญาแม้สติปัฏฐานนะัเป็นธรรมะที่ลึกมากเลยนะคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกผิวเผินนะงั้นค่อยๆเรียนงั้นขั้นแรกฝึกให้ได้สติก่อนให้ใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใหญ่ใจลอย นะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอย่าใจลอยนะถ้าคนไหนถนัดรู้นามธรรมานะมีโรคโกรดลงขึ้นมารู้ทันไปตัวไหนมีมากเอาตัวนั้นเป็นหลักตัวอื่นเป็นรองนะรู้ไปเรื่อยต่อไปสติเกิดพอสติเกิดแล้วนะบางทีสติะระลึกรู้รูปบางทีสติรู้นามเราเลือกไม่ได้ลนะเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีมันไปรู้รูปบางทีไปรู้นามมนะันจะเห็น พอรู้รูปก็เห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์รู้นามเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นนั่นเดียวกันนะเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาให้ฝึกนะฟังเที่ยวเดียวไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกค่อเอาซีไปฟังฟังแล้วฟังอีกอย่านึกว่าเก่งนะฟังมากๆอย่าเพิ่งนึกว่าเก่งอันนี้มันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของครูบาอาจารย์ ไม่ใช่เป็นยาของเราเราแค่จําได้อย่านึกว่าเก่งไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตัวนะไปปฏิบัติตัวแล้ววันนึงค่อยเก่งจริงเก่งจริงต้องลดลากิเลดได้เก่งจริงต้องไม่ทุกข์ได้เก่งจริงต้องไม่ยึดถือไม่ติดในภพใดๆกระทัติดภพว่างเกาใช้ไม่ได้นะติดภพว่างๆก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วอายุยืนมากเลยพวกภพว่างๆเนี่ยนะ อยยุอยู่เป็นหมื่นหมื่นกับเลยนะพวกนี้ยพบ ว, ว่างๆวไม่จะไปเสียเวลาพระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้ไปตั้งยี่สิบองค์แล้ยังไม่ได้มาเลย <S <S เสียเวลามากงั้นพยายามอยู่กับโลกปัจจุบันนี้แหละภูมิมนุษย์ดีที่สุดแล้วสําหรับการปฏิบัติ <S 1> <S 1> <S ภูมิมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วยังเป็นเทวดาไม่แก่สักทีจะดูกายดูไม่ได้นะ พวกมนุษย์ถนัดดูกายนะขึ้นไปอยู่พรหมโลกสวยละวะ่ามันคงที่ <laughs> นะมันคงที่เลยมันไม่แก่ทีนี่นะมันไม่เจ็บมันไม่แก่อะย่างนี้นะอย่าดูจิตดูใจก็มีแต่ความสุขนะมีแต่อารมณ์ที่ดีมีแต่ความสุขโอ้ดูยากนะ<ม>ถ้าเป็นเทพเนะี่ยต้องดูจิตเป็นเทพเป็นพรหมนะกายมันคงที่จิตยังเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อุเบกขาเดียเด๋ยวสุขเดี๋ยวอุเบกขามันเปลี่ยนได้ ยังพอดูได้เนะทวดาอกหักก็มีนะเคยมีเหมือนกันนะมาทูนพระพุทธเจ้ามาดีดพินให้พระเจ้าฟังนะเป็นคนนำพระยินมาพระเจ้าท่านทำความสงบอยู่พระอินอยากมาเฝ้ากเกรงใจพระเจ้าใช้ลูกน้องมาดีดพินพระเจ้าก็ชมเล่นเก่งนะท่านก็เลยคุยด้วย พวพระเจ้าคุยด้วยแล้วนั้นพระอินเข้ามาถามธรรมะแล้วก็พอถามธรรมะเสร็จแล้วกลับไปนะพระอินยกสาวให้เทวดาในหน้านี้น <c oughs> เอาไปกินข้าวไปเรื่องอย่างที่ไรชอบชอบ <c oughs>